พระปรากฏตัวเมื่อไรจะพูดหรือไม่ก็ต้องให้ธรรมะชาพุทธนี้ก็ได้กล่าวแล้วว่าแบ่งโดยสรุปเป็นสองฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายพระสงฆ์กับฝ่ายญาติโยมหรือฝ่ายบรรพชิตกับฝ่ายเข้ารือหัดทั้งสองฝ่ายนี้ต้องร่วมมือกันในการดำรงรักษาพระศาสนาเรียกเป็นคําโบราณว่า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเรามักจะมองว่าพระสงฆ์เป็นฝ่ายสืบต่ออายุพระศาสนาและญาติโยมเป็นฝ่ายอุปถรัรมภ์ก็ถูกในแง่หนึ่งแต่ที่จริงทั้งสองฝ่ายเมื่อมาร่วมมือกันโดยทำหน้าที่ต่อกันถูกต้องแล้วก็เท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายช่วยกันสืบต่ออายุพระศาสนาการร่วมมือกันช่วยกัน มีความสัมพันธ์กันถูกต้องนั้นทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งมีพุทธพจน์ในพระสูตรตรัสเป็นคาถาสรุปว่าสาคาราอนาคาราจะอุโพอัญโยนยะนิสิตาเป็นต้นแลว่าทั้งผู้ครองเรือนและผู้ไม่มีเรือนต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้น ญาติโยมกับพระจะต้องคิดถึงหลักนี้ไว้เสมอชาพุทธเรานี้ไม่ค่อยคำนึงถึงคำฝากหรือคำสั่งของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนให้เราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรก็มีคำตรัสอธิบายไว้ว่าพระสงฆ์ก็ต้องให้แก่ญาติโยมและญาติโยมก็ต้องให้แก่พระสงฆ์การให้นี้เรียกว่าทาน ทานนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องกระทาแก่กันเรามักจะมองว่าญาติโยมเป็นฝ่ายถวายทานไม่ได้นึกว่าพระจะต้องให้ทานโยมหรือเปล่าเรามักจะนึกในทางเดียวว่าพระเป็นปฏิคาหกเป็นผู้รับทำให้พระมักคิดที่จะรับจากญาติโยมก็เลยคอยแต่จะรับเรื่อยโดยอ้างว่าฉันเป็นปฏิคาหกฉันก็ต้องรับสิ โยมเป็นฝ่ายทายกก็เป็นฝ่ายให้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นทายิกาก็เป็นผู้ให้เหมือนกันโยมก็ต้องให้ทานสิพระก็ต้องเป็นฝ่ายรับแต่ไปดูในพระสูตรที่แท้จริงพระก็ต้องให้ทานด้วยพระก็ต้องเป็นทายกเหมือนกันแต่เป็นธรรมทายกแปลว่าผู้ให้ธรรมะเพราะว่าทานนั้นมีสองอย่าง คืออมิสทานกับธรรมทานอามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของโดยเฉพาะปัจจัยสี่ด้านนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายโยมโยมจึงถวายทานที่เรียกว่าอามิสทานแก่พระสงฆ์เพื่อบำรุงพระสงฆ์ให้มีกําลังที่จะประพฤติธรรมวินัยทำกิจพระศาสนาได้ฝ่ายพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ให้ทานเหมือนกัน เรียกว่าธรรมทานคือให้ธรรมะแก่ญาติโยมนี่แหละคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมเรื่องนี้ต้องคอยระลึกตรหนักไว้ให้ดีถ้าเรายัางยึดหลักนี้อยู่พระศาสนาก็อยู่แต่ถ้าลืมหลักนี้เมื่อไหร่พระศาสนาก็ไปเลยหลักอมิสทานและธรรมทานนี้ เป็นฐานรองรับความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านเป็นหลักการใหญ่ที่เคยอ้างมาแล้วข้างต้นแต่ในที่นี้เห็นว่าควรนำมาพูดขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเวลานี้จะต้องระวังเรายัางทำหน้าที่นี้การอยู่หรือเปล่าอุปโภอัญโยยะนิสิตาทั้งสองฝ่ายยังพึ่งพาอาศัยกันดีไหมและยังทำหน้าที่ถูกต้องไม่สับสนหรือไม่ ฝ่ายโยมถวายอมิสสถานฝ่ายพระให้ธรรมทานอยู่ไหมการพึ่งพากันนี้เป็นการเกื้อหนุนส่งเสริมกันคือฝ่ายญาติโยมรู้ว่าพระสงฆ์เป็นแกนอยู่วงในพระศาสนามุ่งอุทิศตัวเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติและเผยแพ่คำสอนถึงกับสละทรัพย์สินและการทรมาหาเลี้ยงชีพก็เลยถวายกาลังด้วยปัจจัยสี่ ฝ่ายพระเนนพอมีกำลังก็เล่าเรียนปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่สั่งสอนธรรมให้ธรรมทานแก่ญาติโยมก็เกิดผลแก่ทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาชีวิตจิตใจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงธรรมธรรมพระพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นในชีวิตจิตใจหรือในตัวของทุกๆคนพระพุทธศาสนาที่จะเจริญมั่นคงแท้จริงนั้น ต้องเข้าไปอยู่ในตัวคนไม่ใช่ตังอยู่นอกตัวเดี๋ยวนี้เรามักจะพูดกันว่ามาช่วยกันสืบต่ออายุพระศาสนาถามว่าตัวพระศาสนาอยู่ที่ไหนหลายคนอาจจะไปมองที่โบสถ์ที่พระเจดีย์มองที่วัดซึ่งเป็นวัตถุอันนั้นไม่แน่แม้เมื่อพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้วอย่างในอินเดียก็ยังมีวัดเก่า ยังมีเจดีย์ยังมีสถูปยังมีพระพุทธรูปอยู่มากมายแต่พระพุทธศาสนาไม่มีเส้อแล้วฉะนั้นวัตถุไม่ใช่ตัวพระศาสนาแต่เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นตัวพระศาสนาที่แท้ต้องอยู่ในตัวคนด้วยการที่คนนั้นรู้เข้าใจธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเท่ากับ เอาธรรมะหรือพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในตัวจนกลายเป็นว่าตัวเข้าไปไหนพระพุทธศาสนาก็ไปด้วยเมื่อตัวเขายังอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่เมื่อไรพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวคนแล้วทุกคนนั้นก็จะสืบต่อพระศาสนาด้วยชีวิตของเขาเองคนทุกรุ่นก็ทาหน้าที่นี้กันต่อๆไป ถ้าเป็นอย่างนี้นั่นแหละพระศาสนาอยู่แน่นอนการที่พระศาสนาจะอยู่ในตัวคนให้คนสืบต่อได้ก็ต้องมีการให้ธรรมะมีการถ่ายทอดธรรมะแก่กันให้เราเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติจนมีธรรมะอยู่ในตัวซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการที่ทั้งฝ่ายโยมและพระสงฆ์ทำหน้าที่ต่อกันถูกต้องพระก็ให้ธรรมทาน โยมก็ถวายอมิสถานอย่างที่ว่ามาการที่พระสงฆ์ทาหน้าที่ให้ธรรมทานนั้นปกติก็ให้ด้วยการพูดคือการสั่งสอนเรามักจะพูดถึงการให้ธรรมะด้วยการพูดแต่ที่จริงธรรมะนั้นให้โดยไม่ต้องพูดก็มีให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดเนี่ยทำอย่างไร วิธีธรรมดาในการให้ธรรมะก็ต้องพูดอย่างที่เรียกว่าแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาธรรมเทศนานั้นเป็นธรรมทานคือการให้ธรรมะแบบหนึ่งแต่ธรรมทานนั้นให้โดยไม่ต้องพูดก็ได้ขอยกตัวอย่างพระเนียที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางทียังพูดไม่เป็นสอนไม่เป็นอธิบายไม่เป็นยังมีความรู้ปริยัติไม่พอ แต่ถ้าปฏิบัติตัวอยู่ในวินัยมาปรากฏตัวขึ้นที่ไหนเช่นในพิธีกรรมเป็นต้นการปฏิบัติชอบของท่านโดยความเป็นผู้สำรวมเป็นผู้มีสมณะสารูปและตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยนั้นจะทำให้เกิดผลขึ้นมาทันทีคือทาให้จิตใจของญาติโยมผ่องใสสบายชื่นใจแต่กร น, นี้ถือกันว่าเห็นพระเนียนที่ไหน ที่นั้นไม่มีภัยมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งใจเรียกว่าเห็นสมณะความหมายของพระสงฆ์คือเป็นผู้สงบเป็นผู้ไม่มีภัยฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นสมณะเป็นเครื่องหมายแห่งความปลอดภัยญาติโยมเดินทางไปในปา่าซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นแหล่งอันตรายทั้งสัตว์ ร, ร้ายคนร้ายโจรร้ายอาจจะแอบแฝงซ่อนอยู่ มารู้สึกระแวงหวาดวันเสียอสยองแต่พอไปเจอพระสงฆ์เข้าก็โล่งใจใจชื้นหายใจทั่วท้องหลงนั่งยกมือท่วมศรีรษะไหว้พระเพราะว่าสบายใจชื่นใจรู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วการที่พระสงฆ์เป็นเครื่องหมายของความปลอดภัยทําให้จิตใจแช่มชื่นสดใสสบายเรียกว่าทําให้เกิดปัสาทะปัสาทะ คือความพ่องใสชื่นชมของจิตใจเป็นกุศ ล, ลธรรมพอเห็นพระแล้วโยมได้ประสาทะคือความผ่องใสชื่นชมของจิตใจรู้สึกสดชื่นเบิกบานนี่คือกุศลธรรมเกิดในใจแล้วก็เท่ากับว่าพระได้ให้ธรรมะแก่โยมเพราะทำให้โยมได้กุศลธรรมด้วยเหตุนี้พระเนนที่ดีไปปรากฏตัวให้โยมเห็น ก็ให้ธรรมะคือประสาธะเกิดขึ้นในใจของโยมโดยไม่ต้องพูดเลยฉะนั้นหน้าที่ธรรมทานนี้พระสงฆ์ต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็ให้โยมเกิดประสาธะในใจทาให้ใจโยมผ่องใสสดชื่นเบิกบานชื่นชมโล่งใจเมื่อเห็นพระสงฆ์อย่าให้รู้สึกว่าเออเราเห็นอะไรก็ไม่รู้ เวลานี้หลายคนพอเห็นพระเนเนก็รู้สึกกลัวว่าท่านจะมาเอาอะไรจะมาขออะไรบางท่านเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปวัดนั้นวัดโน้นไม่กล้าไปหลายวัดหรือบางคนว่าวัดทั้งหลายทั่วไปไม่อยากไปเพราะกลัวเพราะหวาดกลัวทำไมหวาดอย่างไรเพราะว่าพอไปหาท่านท่านก็บอกว่าโยม วัดกำลังสร้างโนนกำลังสร้างนี่โยมจะช่วยอะไรบ้างละ่ะพอพูดอย่างนี้โยมสะดุดรู้สึกไม่ดีไม่ไปดีกว่าจึงต้องระวังข้อสำคัญคือทำอย่างไรจะให้โยมสบายใจเมื่อเห็นพระให้พระเป็นผู้รักษาใจประชาชนการปรากฏตัวในพิธีก็สำคัญในความหมายอย่างหนึ่ง พิธีกรรมนั้นเขาจัดไม่เพื่อให้เป็นที่พระสงค์ปรากฏตัวแก่ญาติโยมการปรากฏตัวของพระสงฆ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธรรมะกแก่ประชาชนโดยการให้สองแบบคือให้โดยพูดกับให้โดยไม่ต้องพูดให้โดยพูดเช่นโดยแสดงพระธรรมเทศนาหรือบางทีประธานสงฆ์ท่านก็ให้โดยวิธีกล่าวสมมูธนียกถาตอนท้ายพิธี เป็นการสอนคติการดำเนินชีวิตและอวยชัยให้พรส่วนพระภิกษุสมณเณรองค์อื่นก็ต้องให้ธรรมะด้วยอย่าไปประมาทเสียไม่อย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวก็อาจจะนึกว่าเราไปเพียงเป็นตัวประกอบในพธิธีสัก่วะทาพธิธีก็เลยไม่เอาใจใส่บางทีประพฤติตัวไม่เรียบร้อยวางตัวไม่เหมาะพูดจาไม่สมควร ญาติโยมเห็นเข้าก็เลยเสียศรัทธาไปแทนที่จะให้ธรรมะก็กลายเป็นให้อกุศลธรรมฉะนั้นพระเนนต้องให้ธรรมะคือให้กุศลธรรมให้ได้อย่างน้อยตั้งใจไว้เลยว่าเราไปปรากฏตัวที่ไหนต้องให้ญาติโยมสบายใจเมื่อทำพิธีกรรมก็ต้องตั้งใจทำเต็มใจทำทำไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ญาติโยมอย่างน้อยให้จิตใจ ญ, ญาติโยมมีความสุขสบายผ่องใสชื่นใจได้ประษาทะเป็นอันว่าอาการเบื้องต้นในความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับข้ารือหัดก็คือเมื่อแรกพบได้ประสบกันทันทีนั้นก็ให้เกิดภาษาทะถ้าทำได้สำเร็จอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ให้ธรรมะแล้ว นี่คือการให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดเป็นหลักการที่จะต้องทำให้ได้ต่อจากภาษาทะพอเขาเกิดความเลื่อมใสได้กุศลธรรมในใจแล้วญาติโยมที่เลื่อมใสนั้นก็จะเข้ามาหาเพราะอยากจะขอฟังธรรมเหมือนอย่างอุปติสสะปริภาชกซึ่งเป็นพระสาริบุตรต่อมาได้เห็นพระอาสชิ เดินทางจาวริกบินทบาทในเมืองราชคกษมีกิริยาอาการน่าเลื่อมใสนึกว่าท่านผู้นี้ต้องมีดีก็ได้ประษาทะทันทีพอได้ปราษาทะราษาทะนั้นก็ชวนใจให้เข้าไปหาอยากรู้ว่าท่านมีดีอะไรเราต้องเข้าไปถามท่านจะได้สอนเราบ้างทำให้เข้าไปพบเพื่อฟังธรรมขั้นที่หนึ่ง ใจิตใจสบายผ่องใสชื่นชมเรียกว่าภาษาทะขั้นที่สองจากภาษาทะนั้นก็ชวนให้เข้าไปหาเพื่อจะถามข้อสงสัยอยากจะฟังธรรมอยากจะได้ความรู้ภาษาทะก็เป็นตัวเชื่อมทำให้โยมได้ธรรมะเพิ่มขึ้นขั้นที่สามต่อจากนั้นเขามักแสดงอาการของผู้เลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะถวายทานเช่นสิ่งของขบฉันก็เป็นเรื่องของเขาเวลานี้เรามักจะมองกระโดดข้ามขั้นไปทีเดียวเลยว่าโยมเลื่อมใสก็แสดงว่าจะถวายของนี่ผิดแล้วกลายเป็นว่าไปมุ่งเอาผลตอบแทนเราไม่มีหน้าที่ไปมองตรงนั้นหน้าที่ก็คือว่าทำอย่างไรจะให้ใจโยมสบายต้องคิดในทางเกื้อกูล ถ้าอย่างนั้นแล้วใช้ได้ปสาทะมีสามขั้นหน้าที่ของโยมเป็นขั้นที่สามเราไม่เกี่ยวหน้าที่ของเราคือขั้นที่หนึ่งทำอย่างไรจะให้โยมเกิดประสาทะได้ก่อนจบตอนขอย้อนหลังนิดหนึ่งเมื่อเริ่มเรื่อง ได้ยกพุทธค थ าขึ้นมาท่อนหนึ่งว่าสักคาราอนาคาราสคาราอนาคาราจะอุโภยัญยานิสิตาซึ่งเตือนให้ระลึกไว้ว่าชาวบ้านกับพระที่ไม่มีบ้านทั้งสองฝายนี้พึ่งพาอาศัยกันแล้วก็บอกว่าชาวบ้านถวายอมิสทานหรือวัตถุทานส่วนพระก็ให้ธรรมทาน แต่ยังไม่ได้ยกพุทธคถาที่ไขความตรงนี้มาให้ดูในที่นี้จึงนําคําแปลพุทธคถานั้นมาให้เห็นพอให้ครบความบทนี้มีความร้อยแก้วนําก่อนด้วยแต่ไม่นํามาเพราะจะยาวถ้าสนใจก็ดูเองได้ในพระหุ ก, กาลสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สาแปลพุทธคถาดังนี้ผู้ครองเรือนคือข้ารือหัดหรือชาวบ้าน และผู้ไรเรือนคือบรรพชิตหรือพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายอาศัยกันและกันย่อมสมริตสัตยธรรมที่ปลอดจากกิเลสผูกมัดอย่างยอดเยี่ยมบรรพชิตปรารถนาจากค้รืหัดแค่จีวรบินทะบาตอยู่ยาที่นั่งที่นอนพอเป็นเครื่องบรรเทาความขัดข้องส่วนครืหัดทั้งหลายผู้อยู่ครองเรือนอาศัยพระผู้ปฏิบัติชอบ ก็เชื่อถือถ้อยคำของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพ่งพินิษด้วยอริยปัญญาประพฤติ ธ, ธรรมในพระศาสนานี้แค่นี้ก็พอเชื่อมได้กับคำบรรยายที่พูดไปแล้ว